ก็จะมีความเที่ยงตรงมากรวมทั้งคัดกรรมเด่นมาแสดงแบบไม่มีฝ้าหมอกอคติเคลือบคลุมด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสง์ของการเจริญสติปัฏฐานคือริษทางใจประการต่างๆนั้นเป็นจริงแท้ฉันไม่เคยฝึกฝนอภิญยาสาขาไหนเลยแต่การรู้อยู่ที่กายใจบ่อยๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมาธาตุทั้งปวง